ต้องลอยค อ, อกลางทะเลคนอื่นตายหมดพรนะามาชนกก็ไม่มีอะไรเลยนะต้องไหว้น้ำฝั่งก็ไม่เห็นก็วไหว้ไหวไวเชาว้ากลางวันค่ำก็ไหวก็คงมีเศษไม้เกาะอยู่บ้างมองไม่เห็นฝั่งก็ไหว้เป็นเวลาเจ็ดวันจนกระทั่งนางนมณีเมฆกลาเทพทีิดาต้องมาช่วยเพราะว่าตนเห็นคนดี